ในสิ่งที่ชอบทําให้ถึงพร้อมเนี่ยสติตะประโยช น, น์ปัญังทําผิดขั้งตนให้ของสาจะมาทั้งถึงความบริสุทธดหนึ่งเกตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนคะือชี้ในวันนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่จะแสดงให้แตกต่างนี้ไป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 เป็นสิ่งที่โลกปรารถนากันอะไรๆก็ตามขึ้นชี่ว่าขาดทุนแล้วขาดแล้วขาดเราขาดมาอยู่ไม่ถอยก็ล่มจมไปได้เราก็เมื่อขาดทุนอุปาณาจิตใจคือขาดทุนจากคุณงามความดีนีแต่สิ่งที่ไม่ดีเหยียบย่ทำทําลายไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล่มจมได้เช่นเดียวกันกับเรื่องสมบัติเงินทองภายนอกเพราะฉะนั้นเราจึงควร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 ดูโลกด้านโลกนี้ดูโลกไหนก็ไม่หายสงสัยดูโลกไหนก็แบบกองทุกไปไม่มีอะไรบกพร่องทุกไปทุกแห่งทุกผลเราตัวเราไปที่ไหนเป็นทุกไปงนั่นคำว่าเป็นจุกลื่นเลื่องบ้างก็เป็นความสําคัญของตนต่างหากแต่ถ้าได้เห็นทุกภายในนี้แล้วถ้าได้ดูโลกภายในตัวของเรานี้แล้วเขาจะกระจะปรากฏเป็นโลโกวิทูขึ้นมาเดี๋ยรู้แจ้งโลกหายสงสัยเรื่องโลกโลกนอกโลกในโลกที่ไหนก็ตามใกล้ไกลเมื่อ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 เห็นความจริงอย่างเต็มศักดิ์เต็มส่วนแม้ที่สุดร่างกายจะสลายัไปเราก็เป็นสุขโตไปอย่างองอาจกล้าหารไม่มีความอับเฉาภายในจิตใจเลยนีเรียกว่าสุขโตด้วยการพิจารณาอย่างนี้มีเป็นประการนี่ยประการสำคัญก็คือพิจารณาอย่างนี้แหละจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในเรื่องขันทั้งห้า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 ครั้งสุดท้ายที่ชาระไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอมตะด้วยความไม่หมุนเอียนน่นะเราจะเรียกว่าธรรมชาติที่เที่ยงหรือนิพานเที่ยงกับปณิเที่ยงก็อันเดียวกันพิรังธาวรก็ได้แก่อันนี้เป็นที่พึงใจก็ได้แก่สิ่งนี้หมดความวาดควระแวงอะไรทั้งหมดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ปล่อยตัวเองแล้วโดยโดยสิ้นเชิง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 ในความเป็นอยู่กับความตายไปสำหรับผู้ที่สิ้นปัญหาภายในจิตใจโดยสิน้นเชิงแ้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือสาระคุณของมนุษย์เราได้จากสาธนาธรรมสมกานามที่มนุษย์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดนำสาสนาธรรมซึ่งเป็นของพระเสร็เลื่อโลกมาเป็นช่องทางํำเหนอหลีกหลบหลีกเลี่ยงทุกทั้งหลายไปได้จนทะลุ ป, ปุปรงพ้นจากไัยโดยประการทั้งปวง นี่ชื่อว่ามนุษย์ผู้ฉลาดแหลมคมตรงกับที่ว่าสัจจะประโยชน์ปัญญ์เอตังพุทธานาสาสนางท่ามจิตให้ปองสายจะมาทั้งบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมสอนพระเจ้าได้ทรงธรรมของพระเจ้าได้ทรงที่จิตทรงที่ใจทรงอยู่ที่นี่เป็นมหาสมบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอยุติเพื่อพอดีเทปก็หมดนะพอเทปดังแจ๊คนี้